กาวาพอสามกี่นุดน้องพี่รักสามพันจะรุนได้เหลือสายเดียวกันเรายึดมั่นรุ่นน้องรุ่นพี่สิทธิ์กาวาพอขอรวมใจจะไกลไกลรองทุกที รวมจุ่มนมต้องถึงทันทีเป็นประเพ็นที่ภูมิใจพระคุณอาจารย์สุดพันนาได้ก้าวหน้าอนาคตสดใสชมภูเขาราววิไลเจ้าพระยารวมใจให้ทำดี เกาวอพหงีลืมกันสายสัมพันธ์สามัคคีปฏิญาณสร้างสร้างความดีเพื่อศักดิ์ศรีสิทธิเกาวอพ สิทธิ์เก่าวาพอสามารถีดุดน้องพี่รักสัมพันธ์จะรุนไดเเลือดสายเดียวกันเราหยุดมันตุนน้องรุนพี่สิทธิ์เก่าวาพอขอร่วมใจจะไกลไกลร้อมทุกทีรวมชุมนุมต้องถึงทันที เป็นประเพณีที่ภูมิใจพระคุณอาจารย์สุดพันนาได้ก้าวหน้าอนาคตสดใสชมผู้ขาวเราวยไร่เจ้าพญารวมใจให้ทำดีสิทธิ์กาวพอลืมกันสายสัมพันธ์สามัคคี ปฏิญาณสัางสรรค์ความดีเพื่อศักดิ์ศรีจิตเกาว